นะมัตถุรัตนัตยัติสัขอถาวายความนอบน้อมแด่พระรัตนไตรขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจการสะดับความธรรมะ คำหลักคำสั่งสอนขอ ง, งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งจะทำให้ได้เกิดเป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลจากการฟังธรรมนะแล้วก็เป็นมงคลนยธรรมะสวรรังเอตตมังกอรุตมัง การฟังทรรมตามการเวลาเป็นมงคลอันสูงสุดนะจิตใจที่เข้าถึงธรรมก็จ ะ, จะได้รับรสแห่งพระธรรมนะเกิดความซาบซึ้งตรึงใจจิตจะเริ่มใสยใจจะศรัทธา เมื่อเรามีศรัทธาเกิดขึ้นความคิดอ่านก็จะแยกายเรียกว่าการทำไว้ในใจโดยแยกาขหรือี่เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการและเมื่อความคิดอ่านแยกไขคิดเป็นทางที่ถูกต้องรู้จักคิดคิดเป็นสติปัญญาก็จะดีขึ้นมีสติ มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อการมีสติสัมปชัญญะที่ดีก็จะเกิดการสํารวมอินทรีย์ที่ดีจะเกิดการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการสํารวมที่ดีที่สมบูรณ์ก็จะยังสุดจริตนะสุดจริตสามให้เกิด บริบูรณ์ขึ้นกายก็สดชืิตวาจาก็สดจรินจิตใ จ, จก็สดจรินคือได้เว้นกายก็เว้นค้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามได้วาจาก็เว้นวจีทุจริตสีเว้นพูดเทศสอดเสียดหยาบคายเพ้อเจอ้อได้ใจก็เว้นจากการเพ่งเล็งเจ้าของเขา เว็นพยาบาทอาคาดแค้นเว้นจากการเห็นผิดจากทานองคองธรรมเมื่อมีความสุจริตเจริญสติปัฏฐานสี่ก็จะทำให้จเจริญก้าวหน้าเนี่ยสติปัฏฐานสี่คือสติที่ระลึกรู้เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือขณะที่นั่งอยู่ ตั society, ını, guard, ้งกายไว้อย่างไรก็ระลึกรู้ตัวรู้กายที่นั่งกายลมให้ใจเข้าออกก็จะมีการอย่างรู้ถึงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเรียกว่าสติเป็นไปในกายสติระลึกรู้เป็นไปในเวทนาถ้าใส่ใจลงไปที่กายสังเกตดูความรู้สึก ก็จะมีเวทนาปรากฏอยู่ทั้งที่กายและที่ใจที่ร่างกายก็จะรู้สึกเมื่อมีการผัสสะความเย็นอย่งขณะ น, นี้อากาศที่มากระทบสัมผัสร่างกายเป็นความเย็นเย็นพอดีก็จะรู้สึกว่ามันมีความสบายกายบางส่วนสัมผัสความแข็ง ความแข็งหอนความร้อนเย็นความตึงก็อาจจะมีความปวดเมื่อยเมื่อมีการพับขายอยู่นานๆรู้สึกปวดเมื่อยเจ็บเหนื่อยอันนี้ก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นสติก็จะยังระลึกไปที่เวทนาในเวทนาเวทนาที่ใจเป็นอย่างไรก็ยังระลึกไปที่ใจ ใจขณะนี้สบายใจหรือไม่สบายใจหรือเฉยๆเพื่อจะได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราโดยอาศัยการไม่เข้าไปยึด ในเวทนาแม้ว่าจะมีความปวดเมื่อยเจ็บเหนื่อยการกำหนดเวทนาให้เห็นว่าสักแต้วเวทนาไม่ยินดียินร้ายนั้น <c oughs> จะต้องใส่ใจมาที่จิตไว้ด้วยส่วนหนึ่งระลึกรู้ไว้ที่จิตพิจารณาให้เห็นว่าระหว่างจิตกับความปวด ความปวดเจ็บหรือว่าความไม่สบายที่กายหรือว่าความสบายให้เห็นว่ามันเป็นคนละอย่างกัน <c oughs> ระหว่างจิตใจที่รับรู้กับความปวดเจ็บที่กายให้เห็นว่าเป็นคนละอย่างนะเป็นปัญญาที่จะแยกสภาวะระหว่างสภาวะที่กายกับสภาวะที่ใจแยกสภาวะกันออก แล้วก็ฝึกรักษาใจให้วางเฉยโดยมีแนวทางคำสอนคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าจะต้องวางเฉยรับรู้อารมณ์สิ่งใดก็หัดวางเฉยนะสักวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินล้ยลยเรียกว่าสัตธว่า สักด่าว่าก็คือการไม่ว่าอะไรรักษาใจให้วังเฉยอยู่อันเนี้ยจะเมื่อทําไปบ่อยๆเข้าปัญญามันจะเกิดขึ้นเป็นเป็นวิปัสนาญาณที่หนึ่งนามรูปะปริเชทะยานญาณที่แยกรูปแยกนามได้จะเกิดการรู้เห็นว่ากายเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง คนละอย่างกันความไห ว, ไวความกระเพื่องความสะเทือนเน่ะเป็นรูปอยู่ที่กายส่วนจิตใจที่เป็นผู้ดูผู้รู้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันถือว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นที่แยกรูปนามได้และเมื่อฝึกไปเรื่อยๆใจมันวางเฉยได้ แม้จะมีความปวดขึ้นมาในกายแต่ใจมันเฉยนี่ยสูงไปกว่านั้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาอีกเห็นความเป็นจริงว่าอ๋อเวทนานี้มันก็สัตวเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นจิตว่า้จิตที่รู้นี่มันก็ ก็ไม่ใช่เราอีกเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความหมดไปดับไปไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้จึงเห็นว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดเป็นวิปัสนาญาณขึ้นมาเห็นความจริงแม้จะเป็นชั่วขณะหนึ่งหนึ่งถือว่า เป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นปัจจัยต่อความพ้นทุกข์ถือว่าเราเข้ามาสู่แนวทางของความพ้นทุกข์ถือว่าเข้ามายืนอยู่บนถนนสายนิพพานถูกพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญว่าการที่บุคคลได้พิจารณาเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับของสังขาร แม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีไม่ได้เห็นความเกิดดับของสังขารเพราะว่าการได้เห็นความเกิดดับมันจะทําให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่เที่ยงได้ถึงความเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่มันทนอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไป แ่าจะทาให้เข้าถึงความเห็นเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้สิ่งใดที่บังคับไม่ได้กลหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้าเป็นตัวเราของเรามันก็ต้องบังคับได้นะ่ร่างกายเนี่ย <c oughs> มันจะต้องมีความเสื่อมไปสุดไปสลาย แกชราเจ็บป่วยแล้วก็ตายผมงอกฝันหักหนังเหี่ยวเรียวแรงอ่อนละตาฟ้าฟ้างหูตื้อตึงเนี่ยบังคับเขาไม่ได้นเนี่ยเป็นอนัตตาอยู่ฉะนั้นเมื่ออย่างรู้ในสังขารร่างกายจิตใจได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมา มาเห็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจิตมันจะเกิดการยอมรับยอมรับกับการที่บังคับไม่ได้จิตมันก็จะปล่อยจะวางวางลงปรงได้วางเป็นก็เย็นได้เมื่อวางจิตก็จะว่างถ้าไม่วางก็ยังวนวายอยู่ การปฏิบัติไปที่สุดมันก็จะเข้าถึงการปล่อยวางเป็นยอมยอมรับเป็นยอมลงปรงได้ยอมเป็นจึงเย็ยนได้ยอมสนิทจึงพิชิตใยชนะจิตเข้าถึงความเป็นสละหลุดพ้นแต่ว่า <c oughs> มันต้องเห็นจริงๆเห็นแจ้งในปัจจุบันไม่งั้นจิตมันก็ ไม่ยอมง่ายจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่กัดแกงดิ้นรนซัดสายห้ามยากนะจิตต้องต้องประจักษ์ชัดด้วยด้วยจิตเองซึ่งสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าไปเห็นได้จริงด้วยตนเองเพราะสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นให้พิจารณามันมีอยู่แล้วที่ตัวของแต่ละท่าน เพียงแต่เจริญสติอย่างรู้ไปบ่อยๆเนืองๆเข้านที่กายที่ใจซึ่งเป็นสภาพธรรมพิจารณาให้เห็นสภาพธรรมต่างๆหรือว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยมาเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็จะยังพจชงเจตให้บริบูรณ์ได้พจชงเจต ก, ก็เป็นองค์แห่งความตัดสรู้ มีสติสำโพธชงสติที่ตั้งมั่นไม่หลงไม่ลืมไม่เผลอไม่หลุดลอยถ้ามันจเจริญสติปัฏฐานอยู่หนึ่งนิททำแล้วทำไม่มากแล้วมันจะเกิดเป็นสติที่มีกำลังตั้งมั่นจะไม่หลุดออกไปไม่หลงออกไปไม่ไหลออกไปถ้าสติมันยังไม่ตั้งมั่นมันจะมันจะลืมอยู่เลย มันจะหลงมันจะไหลดังนั้นในขณะที่จิตมันไหลออกไปเพรหัดรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างขณะนั่งใ น, นู่ขณะนี้จะเห็นว่าบางครั้งจิตมันไหลออกไปใช่ไหมจิตมันไหลออกนอกตัวเป็นระยะระยะให้ดูไว้จิตออกนอกร่างกายเปรียบเหมือนบ้านร่างกายเนี่ยถ้าเปรียบแล้วเหมือนบ้านหลังหนึ่ง จิตใจก็เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยบ้านปกติบ้านรู้เรื่องรู้ราวอะไรได้ไหมไม่รู้เรื่องใช่ไหมร่างกายนี่ก็เหมือนการไม่รู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องคือคนในบ้านเปรียบเหมือนจิตจิตมันก็อยู่ในกายอยู่ในกายแต่มันรับรู้รับ ร, รู้รู้เรื่องรู้ราวอะไรได้น่ะ ก็คอยดูว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในกายหรือมันคอยไหลออกไปนอกกายถ้าคอยเฝ้าระวังอยู่จะเห็นเป็นระยะว่ามันมีการไหลออกถ้าไหลแล้วรู้มันจะกลับมาไหมมจะกลับมาสังเกตดูถ้ามันไหลไปแล้วไม่รู้มันก็หลุดไปเลยลืมไปเลย เัง้ต้องคอยระวังคอยรู้จิตไว้เรื่อยๆพอมันไหลไปก็รู้มันก็จะกลับคืนมาระหว่างที่มันกลับมาอยู่ในตัวเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านก็ต้องรู้ด้วยว่ามันอยู่ในลักษณะแบบไหนมันอยู่แบบหลับหรืออยู่แบบตื่นอย่างขณะเนี้ยเราจะต้องสังเกตจิตว่าจิตมันอยู่กับตัวเนี่ยมันอยู่ในลักษณะคุณภาพแบบไหน แบบตื่นตื่นรู้หรือว่าหลับหลับก็คือไม่รู้หมดการรับรู้เรียกว่าหลับหรือว่ามันหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับถ้าใจมันหลับกายจะเป็นยังไงใจหลับกายสับสงบทันทีใช่ไหมศีรษะเราจะตั้งตรงไม่ได้ ถูกโลกดูดใช่ไหมโลกมีแรงดึงดูดที่สามารถทรงตัวศีรษะร่างกายจะต้องฝืนโลกอยู่เพราะมันยังมีจิตมันมีจิตมันมีวิญญาณคอยดูแลอยู่แต่ถ้าจิตหลับเมื่อไหร่มันก็ไปตามแรงดึงดูดของโลกนะศีรษะก็จะตกลงไปและทำไมขึ้นมาได้ ตกลงไปแล้วขึ้นมาได้ได้ยังไงพอทิษะมันตกลงไปมันตื่นมันสะเทือนจิตมั น, ต, น, น, มมนมกกตื่นก็ขึ้นมาได้อีกแล้วทําไมลงไปอีกนะกระลาบอีกใช่ไหลับอีกก็ลงอีกตื่นก็ขึ้นมาได้อีกเรียกว่านั่งสับนั่งหลับสับะงบอยู่อันเนี้ยถ้าถ้ากําหนดที่ภายในจิต ยังไปยังรู้ไปที่ตัวเจ้าของจิตแล้วจะพบว่าเอ้จิตนี่มันมีการหลับหลับตื่นตื่นดูตรงเนี้ยให้ดีให้ตรงตัวมันมันมีโอกาสจะสปาร์คขึ้นมาได้นะจิตมันจะสปาร์คตัวมันกระแสไฟคั่วบวกคั้วรบเนี่ยพอมันได้ไปแตะกันมาแล้มันจะสปาร์คการทำสมาธิให้ดีกำหนดดูไปให้ถึงจิต เห็นความเห็นจิตมันหลับเห็นจิตมันตื่นตื่นหลับหลับข้อบวกข้อลบมันไปแตะกันได้ส่วนมันจะสับปะคือจิตจิตมันจะสะดุ้งขึ้นกายบางทีก็สะดุ้งไปด้วยเนี่ยเหมือนเราถูกกระตุกเหมือนไฟดูดมันจะกระตุกกระชากมันจะเกิดความกระชากขึ้นภายในจิตมันก็ตื่นสว่าง แต่มันทีมันยังสปาร์กไม่พอมันลงอีกที่วรยังยังไม่หลุดไปหมดนี่มันก็มาครอบงำอีกหลับไปเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องปรับปรับวิธีถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้นั่งไปแล้วหลับสับประงกมันแพ้ก็อย่าปล่อยให้จิตมันดิวดิวดิวลงไป มันถูกกลืนไปเรื่อยหมดมันเหมือนเราส่งค่าศึกไปไประชิดเราส่งทหารไปไประชิดค่าศึกเกินไปถูกจับเป็นเฉลยไปหมดเอาสติส่งเราไปชิดติดเกินไปถูกกินหมดถูกจับตัวหมดหลับหลับไปหมดทำยังไงเราก็ต้องถังคางไว้ แทนที่จะปล่อยทหารไปชิดพระศิก์กห่างห่างไวอันนี้ก็เหมือนกนอยาวจิต ด, ดิวลงไปถ้าเรายังมีความง่วงให้ยกจิตขึ้นมาห่างห่างดูห่างห่างแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวทบพร้อมขึ้นมาน่ะยกจิตขึ้นมาดูเส้นในสมองเป็นยังไงศียะเป็นยังไงร่างกายพยัพยงจิตขึ้นมาให้มันตื่นรู้ เพียรเรียกว่าเพิ่มความเพียรมากขึ้นใส่ความเพียรแต่ไม่ใช่เพียรอย่างอื่นเพียรที่จะระลึกรู้สึกตัวให้มากขึ้นมันก็จะสามารถประคองจิตไว้ได้แม้ว่าจะมีนิวร์ความง่วงมันก็จะไม่หลับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังแพ้อยู่กำลังของนิวรมันมาก เราได้เหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นเราทานอาหารมาใหม่ๆเ ม, มาเกิดความเมาอาหารเมาข้าวแลก็สมองมันล้ามันมาใช้งานมาปฏิบัติแล้วก็แพ้หลับหรือว่าร่างกายมันอ่อนเพลียพักผ่อนไม่พอบ้างอ่อนเพื่อเมื่อยคลบร่างกายหรือว่าจิตใจมันท้อแท้ท้อถอยถอยลงผวังหลับสับงน เราก็ต้องใช้วิธีการเอากายเข้าช่วยเมื่อพยายามพยุงจิตใจขึ้นมาแล้วมันก็ยังลงไปอีกแล้วก็เอากายเข้าช่วยเช่นเราก็ลืมตาซะลืมตาขึ้นมาเจริญสติแบบลืมตาการเจริญสติไม่ได้หมายถึงว่าหลับตาเท่านั้นถึงจะเจริญสติได้ ลืมตาก็สามารถเจริญสติได้เท่งแต่ว่าลืมตาอย่างรู้สึกตัวขณะที่ลืมตาก็ทำความรู้สึกตัวทวพร้อมได้ลืมตาแต่อย่าลืมตัวก็แล้วกันลืมตารู้สึกตัวถ้าลืมตาแล้วยังจะหลับทอยังไงไปไหนก็ยังไปไม่ได้นั่งอยู่ที่เนี้ยมันก็ยังคอยจะหลับ เราก็ขยับตัวช่วยได้เราขยับอะไรได้บ้างร่างกายศีสะได้ไหมขยับขยับอย่างรู้สึกตัวแขนขยับได้ไหมขยับแขนขยับมือขยับนิ้วขยับร่างกายอย่างรู้สึกตัวก็จะเป็นตัวช่วยช่วยให้จิตมันตื่นไม่ให้หลับถ้าเราอยู่ตะลําพังล้วก็ลุกขึ้นเดินแต่ เดินจงกรมเคลื่อนไหวจเจริญสติกับการเดินจเจริญสติกับอิริยาบถย่อยทำการงานหยิบนู่นจับนี่อย่างมีสติเคลื่อนไหวการจเจริญสติมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องอยู่นิ่งๆเท่านั้นจเจริญสติกับการเคลื่อนไหวได้ยึ่งเราเป็นคนที่ยังอยู่ในชีวิตการงานเนี่ยมีใครนั่งอยู่นิ่งๆทำงานได้ไหม มาทำงานแล้วก็นั่งหลับตาอยู่นิ่งๆใครมาใครไปฉันก็เฉยๆนิ่งๆมันก็ไม่ได้งานใช่ไหมไม่ได้งานหรอกนั่งหลับตาอยู่ทำงานเราก็ต้องลืมตาเราต้องฟังยิ่งใครสั่งอะไรมาฉันไม่สนใจฉันดูข้างในสั่งมาฉันก็สักแต่ว่าได้ยินได้ยินได้ยินเนาะยินเนาะดูข้างในอย่างเดียว กันเดียวก็โดนไล่ออกมาแล้วนะมันสบายใช่ไหมอยู่ข้างในไม่อยากรับรู้ใครจะมาใครไปดูข้างในสบายแต่มันจะโดนไล่ออกทำ ง, งานมันก็ต้องรับรู้เออเขาสั่งอะไรมาจิตต้องตีความหมาย อ, อ, อะไรเป็นอะไรต้องคิดในเรื่องงานคิดต้องแปลซึ่งมันเป็นสมมติ แต่ว่าก็หัดรู้สึกตัวควบคู่ไปได้นะรู้สึกตัวว่าเออเวลาเราคิดไปเนี่ยเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงกายรู้สึกนะหรือว่าเขาพูดมาเนี่ยเสียงกระทบหูเสียงดีไม่ไม่ไมดียังไงเนี่ยพูดมาใจเราเป็นยังไงมันสะเทือนไหมใจเราหวั่นไหวเราจะดูจิตมาใจไหมอย่างนี้คือการปฏิบัติที่เราสามารถนํามาใช้กับชีวิตจริง เนี่ยถ้าเรามีสติไว้อย่างเนี้ยดีไหมสามารถที่จะดูแลจิตใจเราได้บางทีเราเกิดได้ยินเสียงไม่ดีขึ้นมาโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ทันเห็นจิตมันโกรธขึ้นมารู้ทันนะรู้เท่ารู้ทันอย่างดีรนะวังเฉยมันดับดับง่ายเพราะว่าความโกรธมันยังพังเล็กน้อยเหมือนกับไฟที่มัน ติดขึ้นมาเล็กน้อยเราเห็นทันเราเห็นทันมันก็ดับง่ายแต่ถ้าปล่อยให้ไฟมันลุกมากแล้วเนี่ยดับกันยากเลยใช่ไหมฉีดน้ํากว่าจะดับก็ต้องเสียเวลาต้องไหม้ต้องร้อนต้องเดือดร้อนไปเยอะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เจริญสติไว้กับชีวิตประจําวันเนี่ยเวลากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกหรือมันจะโกรธ มันจะโลภโกรธหลงมันไฟมันติดขึ้นมาแล้วราคะคีไฟคือราคะโทสะคีคือไฟคือโทสะมันติดขึ้นมาติดขึ้นมารู้ไม่ทันมันคิดแต่เรื่องคนนั้นไม่ดียังคนนั้นมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งมันเอาไม่อยู่มันก็ระเบิดถ้าความโกรธระเบิดเนี่ยถ้าออกไปทาง ตาเป็นยังไงตาแววตาของคนโกรธเนี่ยมันจะหน้าตาแววตาคึงคึงเครียดไหมผิวหน้าเครียดไหมแววตาน่าหน้ า, ห น, าหน้ารักหรือหน้ากลัวเวลาโกรธเนี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันระเบิดไปทางตาทางหน้าถ้ามันระเบิดไปทางมืออะ เนี่ยเจอลูกหลานขึ้นมาเจอโกรธมือมไปน่ะแล้ย ว, วก็เมือไปทุบไปตีเขาระเบิดไปทางเท้าเป็นไงเตะใช่ไหมระเบิดไปทางปาก้วเงือพน่นภาษาค้นหาภาษาอะไรที่จะพูดไปแล้วมันคนมันเจ็บใจพระพุทธเจ้าใช้ว่าใช้ปากเป็นหอก นีมีแหมโยมเอาปากเป็นหอกบางทีในครอบครัวคือเราหรือเราถ้าเรามาพิจารณาดูลักมันมันมันฉลาดหรือไม่ฉลาดที่เราเอาปากเป็นหอกไปทิ่มแทงคนในครอบครัวให้เขาเจ็บมากขึ้นเขาโดนหอกเขาเจ็บพอเจ็บมาเขาก็โกรธเขาก็ต้อง เราเบิดมาทั้งมือทั้งเท้าบ้างใช่ไหมโ ย, ยมอาจจะเก่งทางปากแต่คนอีกคนอาจจะเก่งทางเท้าเราก็ยิ่งเจ็บตัวหนักกว่าเดิมเนี่ยเราเราไปทิ่มแทงให้มันเขาเจ็บมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเพราะการที่เราคุมใจเราไม่ได้เวลามันโกรธแล้วมันเราคุมไม่ได้ เนั่องจากเราขาดสติถ้าเรามีสติคอยดูแลเรามัดระวังตั้งแต่ต้นมันจะเห็นตั้งแต่เริ่มนะเวลาฟังก็พูดเห็นภาพมันคุนขึ้นมาก่อนไฟมันติดรู้ทันพอรู้เท่าทนันเห็นเหตุปัจจัยในจิตใจวังเฉยมันดับทันทีมันดับทันทีได้นะเวลาที่มันเกิดความพอใจและไม่พอใจถ้าระลึก ให้ตรงต่อสภาพธรรมที่มันกำลังปรากฏอย่างวางเฉยมันดับพระพุทธเจ้าตรัสถึงการจเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินยัยเจริญอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่พิสุตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้น แล้วก็เกิดความพอใจหรื อ, รอไม่พอใจพอใจก็หมายถึงเกิดไปรักไปชอบติดใจหลักค่าเกิดหรือว่าโทสะไม่ชอบโกรธเกลียดเนี่ยพิสูจนนั้นก็ระลึกรู้ระลึกรู้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจนั้นเห็นความเป็นเหตุปัจจัยของมันแวดวางเฉยเป็นอย่างดีเมื่อวางเฉย ความพอใจและไม่พอใจนั้นก็ดับลงทันทีท่านอุปมาพระพุทธเจ้าอุปม า, มาเหมือนกับน้ํากลิ้งลงจากใบบัวน้ําอยู่บนใบบัวเมื่อมันเอียงเล็กน้อยมันก็กลิ้งตกลงไปอย่างง่ายด้หรือชัวช่วกระพริบตาชั่วบุรุษกระพริบตาไม่เนิ่นนานใช่ไหมหรือชั่วดีดนิ้วมือ หรือชั่วตล่อมก้อนเขระคือน้ำลายไว้พที่ปลายดินแล้วก็ถมออกไปอย่างง่ายได้หรือเพียงแค่น้ำหยดลงในกระทะที่ร้อนสองสามหยดมันก็ระเหยทันทีเนี่ยดับทุกตัวเองได้ในปัจจุบันถ้าเราจเจริญสติบ่อยๆเนืองๆให้เก่งเวลาตาเห็นลูกหูฟังเสียงมีอะไรกระทบเข้ามาคอยอย่างดู กระแสจิตตัวเองให้เห็นสภาพธรรมแล้วก็ดูมันเฉยๆนี่แหละมันดับไม่ได้ไปกดดันอะไรข้อสาคัญก็จต้องหัดวางเฉยเนี่ยวางเฉยเป็นอย่างดีเป็นน้ำเข้าไปดับแต่ถ้าไม่วางเฉยเนี่ยจะดับไฟแต่ใส่ฟืนมันจะจะดับเพลิงแต่เอาเชื้อเพลิงไปใส่มันก็ยังลุก เหมือนเวลาที่กำหนดลงไปแล้วก็ไม่วางเฉยไปเติมความโกรธความเกลียดความไม่ชอบมันยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยเวลาที่กำหนดลงไปในจิตใจเห็นมันใจเรามันขุนใจเรามันไม่ชอบใจเราโกรธก็ตาให้ให้วางเฉยดูเฉ ย, ใ, เฉยให้เป็นอัดดูอะไรดูเฉยมันจะดับทั้มัน แค่นั้นเนี่ยคือกรรมฐานที่เราจะนำใช้กับชีวิตได้เจริญสติอย่างนี้มีใครมากั้นขวางได้ไหมเราอยู่ในการทำงานตาเห็นรูปหูฟังเสียงเราจะระลึกรู้จิตใจเนี่ยทำได้ไหมี่มีการระลึกรู้ในใจเราเนี่ยทำได้ไม่ต้องคอยวันนั่งเรียบร้อย กำลังยืนอยู่เดินอยู่กำลังทำอะไรอยู่ก็ระลึกรู้อย่างดูจิตใจตัวเองไว้ได้หรือว่ า, ารู้ทางกายไว้ก่อนด้วยไอทางใจมันละเอียดมันยากก็รู้ทางกายไว้เรื่อยๆด้วยทางกายมันมีอะไรบ้างมียืนไหมวันๆหนึ่งเดินในที่ทำงานมีไหมยืนเดินนั่ง มียืนมีนั่งมียืนมีเคลื่อนไหวไหมอิริยาบถย่อยการคู้เหยียดเคลื่อนไหวมีไหมก็หัดรู้สึกตัวไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวต้องหัดทำต้องรู้สึกตัวเคลื่อนไหวอย่างมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจรับรู้เจริญสติเข้าไปอย่างเห็นกายกำลังเคลื่อนไหว เห็นในที่นี้มันไม่ใช่เห็นเป็นเอาตาเนื้อไปดูนะใช้ตาใจใช้ใจใจเข้าไปรับรู้เวลาเดินเนี่ยใจเข้าไปรับรู้จะจะพบว่ารืากายมันกำลังขยับเขยือนเคลื่อนไหวใจก็เป็นผู้ดูอยู่เป็นผู้รู้อยู่เนี่ยย่อย่อก็คือหนึ่งรู้กายเคลื่อนไหวสองรู้ใจที่รับรู้ ได้ัหมรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่รู้รกายไหวใจรู้การหลดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้นีเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อิรยาบทย่อยอิรยาบทใหญ่ยยจลสติอยู่ต่อเนื่องเดือง จะทำให้สังสมเหตุปัจจัยของสติปัญญาซึ่งวันนี้เราก็ได้มาสังสมหนึ่งได้ฟังธรรมได้กุศลศรัทธามากุศลเกิดขึ้นได้สติไหมได้สัพชัญญะได้ธรรมะได้บุญกุศลเนื่องในโอกาส นะลำลึกถึงวันเฉลิมพระชนบรบรัาสาเสด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีน่านนะก็ปฏิบัติความดีทำกุศลความดีถวายเป็นพระราชกุศลในะพระองค์ใดหายจากพระประชวนปราศจากโรคาพาอุปัตวะอันตรายทั้งปวงนะ ทรงพระเกษมสารานมีพระชนมายุยิ่งดินานและก็เป็นการที่เราปฏิบัติความดีเพื่อแม่แม่ผู้บังเกิดเก้วทุกคนมีแม่ไหมนะเราก็ไม่ได้เกิดในหลอดแก้วที่ไหนก็ต้องมีต้องมีแม่ต้องอาศัยท้องแม่มาเคยอาศัยท้องแม่มาเท่าไหร่ กี่เดือนเกเดือนสิบเดือนทรมานแม่แม่ทรมานแม่จะรู้ซึ้งก็ตอนที่เรามีครอบครัวเรามีลูกบ้างเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ซึ้งเลยว่าหัวจิตหัวใจของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูกมันขนาดไหน มันมีความห่วงขนาดไหนมันมีความรักความห่วงยอมสละได้เพื่อลูกทุกอย่างต้องดิ้นรนทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกยากลบากหางเงินหาทองเพื่อส่งเสียลกูกอุทิตตนเองได้ทุกอย่างแม่ของเราก็เช่นเดียวกัน ความรักของแม่ไม่มีที่สิ้นสุดในลูกจะโตอยู่ที่ไหนความรักความผงายก็ยังมีอยู่แม้จากโลกนี้ไปแล้วก็ยังไม่อยากจะพลัดพรากจากลูกไปจะก็ไม่สามารถจะไม่มีใครมาต้านความตายได้ในสมัยพุทธกาลมีสตรีผู้หนึ่งปรารถนาที่จะบวช ถ้าเธอไปแต่งงานก่อนแม่ให้แต่งงานก็แต่งก็ไม่อยากมีครอบครัวเลยเชื่อแม่แม่แต่งก็แต่งไปอยู่กับสามีวันหนึ่งก็ไปงานนักขัตเลิกสามีก็หันมาดูภรรยาว่าทําไมเธอไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเลยวันสําคัญงานนักขัตะเลิกคนอื่นก็แต่งกันสวยงานทําไมเธอไม่แต่งอะไรเลย ระยาก็บอกไม่รู้จะแต่งไปทำไมร่างกายมันสกปรกโสโครกเป็นของไม่สะอาดของปฏิกูลคุณดูซิมีขี้ตาไหลออกมีขี้หูขี้โมกขี้ปากน้ำดายเสลดเหงือใครอุจจาระปัสสาวะยิ่งข้างในมันฟอนแฟะไปหมดเธอก็บัญญายไปเงี้ยด้วยความรู้สึกที่แท้จริงแต่งไปก็เหมือนเอา เอาอไรมาปิดบงังผิวหนังมันซึมไหลออากมาอย่างดีสามีก็เออเธอมีธรรมะอย่างนี้น่าจะบวนนชนล้วนะชายจริงๆฉันอยากจะบวชมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยความเห็น อ, อกเห็นใจความรักที่ยิ่งใหญ่คือความเสียสละสามีก็เลยจัดบริการบาทผ้าไตนำพาภรยาไปฝากบวชเป็นพิสุนีได้ เรได้บวชสมใจปรารถนาแต่อยู่ต่อมามีมีท้องมีคลันขึ้นมาบอกกับเพื่อนว่าฉันมีท้องพิสุณีก็ไปแจ้งเจ้าสำนักพระเทวทัตสั่งให้สึกแม้เธอจะบอกว่าฉันไม่ได้ทำผิดในเพศสมณะคงจะตั้งท้องไว้ก่อนบวชพระเทวทัตก็ไม่ฟังเสียชื่อสำนักของเรา พิสุนีสาวก็เลยบอกให้พิสุีทั้งหลายช่วยพาทิฉันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถ้าพระองค์รับสั่งอย่างไรก็จะปฏิบัติตามนั้นพาเดินทางจากเมืองหนึ่งมาสู่เมืองหนึ่งมาสู่เมืองสาวัตถีเข้าไปที่วัดเชตวันก็ไปรายงานกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมทราบดีใครทําผิดทาถูก แต่พระองค์ก็ไม่ได้ตัดสินตามลำพังป้องกันข้อขระหารับสั่งให้พระอุบารีประชุมทั้งฝ่ายพิสุฝ่ายฆราวาดทูลเชิญพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเปรเสนทิโคศนมาเป็นประธานเชิญอนาถาบินิกะเศรษฐีนางมหามิสาขาวบาสิกามาร่วมประชุมพิจารณา าวิสาขากันมานให้จะเอานางพิษุณีเข้าไปตรวจดูท้องดูครำดูมือดูเท้านับวันเดินปีก็รายงานว่าพิษุณีนี้ตั้งท้องตั้งแต่ก่อนบวชที่ประชุมก็ลงมติว่านางไม่มีความผิดแลก็ไม่มีสิทธิจะไปให้ศึกนางก็ได้อยู่ต่อมาแต่ว่าท้องมันไม่ได้อยู่กับที่มันโตขึ้นเรื่อยๆ มินธบาต ท, ท้องโตคนก็ว่าตามหลังเป็นพิษสุนีอะไรท้องโตแต่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกใครจะว่ายัางไงก็อดทนเพื่อลูกรักษาครรนมาตลอดจนถึงวันคลอดคลอดมาเป็นชายตั้งนามว่ากัทสปะ ก็เลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนน้ำนมเนี่ยให้น้ำนมได้ดื่มกินให้น้ำแรงเด็ดเหนื่อยทุกยากน้ำคำําพั่มสอนน้ำใจคือความรักความหหมใหญ่คอยกบประคองปอดอยู่แนบกายคอยระวังระวัยอยู่ทุกวี่วัน ประร้าประโรมปลอบขวันให้ลูกนั้นโดยอกอน่นใจทุกยากลำบากลำบนเหน็ดเหนื่อยอดทนไม่อาทรเช็ดผ้าขี่ตีผ้าเย่ยวเขี้ยวเข้าปอนอดตลับกับตะนอนอยู่ทุกคืนวัดเนี่ยความความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นอย่างนี้อุทิศตนเองเลี้ยงดูทุกอย่างวันหนึ่งพระเจ้าเป็นเซนที่กุศลเสด็จผ่านมาทางสานักวิสุลี ได้ยินเสียงเด็กร้องกระจององงแงให้อำมาต์ไปตรวจดูว่าเป็นอะไรอำมาต์ก็มารายงานวนะ่าเป็นลูกของพิษุณีคลอดแหละที่ ท, ที่มีท้องเป็นชายพระเจ้าเป็นดีนจึงขอพระเจ้าทานนําไปเลี้ยงเสียงเห็นว่าเป็นพิษุณีจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่เหมาะเ พิสุณีไม่อยากให้ลูกจากออกไปแต่ว่าไม่สามารถจะขัดคำสั่งพระราชาได้จำใจต้องมอบไปฉะนั้นตลอดเวลาเธอก็ต้องนอนคิดถึงลูกทั้งคิดถึงทั้งห่วงมันเป็นความห่วงลูกไปอยู่ใครจะดูแลใครจะลังแกใครจะมันห่วงไปทุกอย่างความรู้สึกของความเป็นแม่เป็นไง กสปะรมาอยู่ในวงังตั้งอยู่ในฐานะเป็นโอรสเจริญเติบโตเล่นกับลูกชายเจ้าชายของกรรษัตริย์องค์อื่นเพื่อนก็นมักจะล้อว่าเจ้าเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่โดนล้ออย่างนี้ยให้เพื่อนก็คงไปฟังจากผู้ใหญ่กษัตริก็กเลย ม, มาคาดคั้นถามพระราชบิดาว่าหม่อมฉันไม่ใช่โอรสของพระองค์ใช่ไหม ที่สุดพระเจ้าเป็นดีก็ตรัสความจริงเด็กเป็นลูกของพิษุณีเด็กอายุเจ็ดขวบเกิดสังเวชสลดใจชีวิตตัวเองแล้วขอกลาบมังคมโทนขอประธานอนุญาตไปบวชเป็นสัมมาณก็ได้รับอนุญาตก็ได้ไปบวชเป็นเนรอยู่วัดเชตวันแม่ก็เฝ้าคิดถึงห่วงใยโอกาสจะได้พบเห็นกัน แม้มาเป็นเนนแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดความยังหวงนะตลอดเวลาวันหนึ่งขณะที่พิษุณีกำลังออกบินทบาตมองไปเบื้องหน้าเห็นกษระะปะลูกชายกำลังบินทบาตอยู่ดีใจลืมตัววิ่งไปเลยเท้าก็เหยียบชายจีวรตัวเองหกล้มปาดหลุดจากมือ ด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกน้ำนมก็ไหลออกจากทันของหนางเปียกชุ่มจีวรแล้วก็พยายามเก็บบาตรมาัขประคองเดินเข้าไปหาลองเรียกกัสปะแม่คิดถึงแม่ห่วงใหญ่รอเวลาลูกเป็นยังไงบ้างทั้งกัสปะทั้งก็ทำหน้าเฉย แล้วก็กล่าวว่าท่านบวชมาตั้งนานแค่ความรักแค่นี้ก็ยังตัดไม่ได้หมททำอะไรอยู่นะลูกพูดอะไรนะแม่ฟังไม่ถนัดก็บอกว่าท่านบวชมาตั้งนานแค่ความรักแค่นี้ยังตัดไม่ได้โมททำอะไรอยู่ท่านเดินพูดจบท่านก็เดินจากไปพิสุณีนึกถึง คำพูดของลูกชายเขาไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ยินดีต่อความรักของเราหรือเขาคงคิดว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขากำลัง <c oughs> ทําไมเขาไม่ยินดีกับความรักของแม่วิสุณีก็อุ้มบาดกับที่พักของตัวเองถึงที่พักก็วางบาดลงฉันข้าวไม่ลงโปรงไม่ตกคําพูดของลูกพูดออกมา แค่ความรักแค่นี้ก็ยังตัดไม่ได้หมวดทาอะไรมันเป็นความจริงจะให้แม่ตัดความรักความผูกพันจากลูกได้อย่างไรแม้ลูกจะไม่ได้ยินดีในความรักของแม่ก็ตามแต่แม่ก็ไม่สามารถจะตัดได้นางยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าโศกน้ําตาของนางก็หลั่งไหลออกมา นึกถึงภาพที่ได้อุ้มท้องคนทั้งหลายปนามยามเหยียดเป็นพิษณีอะไรมาตั้งท้องแต่เพื่อลูกประคับประคองคันไว้โดยตลอดจนถึงวันคลอดเมื่อสายเลือดในกายได้ก่อร่างแม่ต้องสร้างพลังใจให้แข่งกล้าสู้ถนอมลูกในคันทุกวันมาแม้อ่อนล้าเหนื่อยและท้อก็ยอมทน กว่าจะคลอดลูกยาออกมาได้แม่เจ็บเจียนจะขาดใจอยู่หลายคนแม่ต้องเฝ้าระวังด้วยตลังบนความสับสนหวาดกลัวเต็มหัวใจเมื่อลูกคลอดปลอดภัยได้เห็นหน้าแม่ก็ยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาออกมาได้อันความรักความห่วงและห่วงใหญ่จะหาใครเทียบแท้ท้าแม่เรา นั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ความห่วงให่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางครั้งลูกก็อาจจะลืมแม่ได้มีลูกสาวคนหนึ่งเข้ากรรมฐ า, านเจ็ดวันรละลึกชาติได้นะแต่ไม่ใช่ชาติที่แล้วชาติชั่ว ไม่ยอมพูดกับแม่มาสิบปีสิบกว่าปีเนี่ยเขาไม่ยอมพูดด้วยแม่ก็แม่ก็ไม่รด้ทํำยังไงแต่ว่าเก็บน้ําตาไว้ภายในแต่พอเข้ากรรมาฐานมันระลึกได้กรรมาฐานมันดีจริงๆนะมันสํานึกได้ เ, เรานี่มันทําไมทํากับแม่ขนาดนี้ จะอะไรออกออกจ า, ากกรรมฐานก็ไปกราบเท้าขอขมาลาโทษสำนึกผิดแม่ก็ดีใจความรู้สึกของแม่จะดีใจมากเมื่อลูกเป็นคนดีลูกมีความกตัญญูกระต้แม่ก็ร้องไห้ได้ลูกคนใหม่กลับคืนมาแล้วลูกก็พาแม่มาปฏิบัติธรรมมาเข้าวัด ให้เข้ากรรมาฐานดีอีกคนหนึ่งมืองกันนี่เป็นชายเข้ากรรมาฐานระ ล, ลึกชาติได้อีกคนนัน้นนะตอนเป็นเด็กขอเงินแม่จะไปซื้อจักรยานแม่ก็บอกว่าเราจนเราไม่มีเงินต้องคอยเก็บไว้ส่งเสียถ้าเราเรียนอีกไม่พอใจออกจากบ้านหนีไปนอนบ้าน ไปหนีออกจากบ้านไปแม่ก็เชื่อติดตามหาไปทุกมากความเป็นแม่ที่ลูกมันลูกหายไปเนี่ยจ้องตั้งไปเจอที่บ้านเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนแม่ก็เข้าไปปลอบกลับบ้านถึงลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปไปกู้เงินมาซื้อจั ก, กรยานให้ตลอดเวลาที่โตมาเป็นผู้ใหญ่นึกไม่ออก แต่บอกทากรรมฐานระลึกชาติได้โอ้เราทำไมทำกับแม่ขนาดนีน้แม่ก็ลำบากอยู่แล้วหาเงินหนาทองลำบากยังท่านต้องให้เขี้ยวเขียนท่านต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม้แม่อีกคนหนึ่งตามหาลูกลูกสาวหายออกจากบ้านเป็นเดือน ตามหาก็ไม่เจอทุกมากก็เลยมาแจ้งนักข่าวทีวีขอให้ช่วยประกาศติดตามเขาก็จะให้ออกรายการสดเธอก็นั่งคอยเวลาเจอเทวีลูกเจอพุทรลกูกเจออะไรกขบนบานหมดความเป็นแม่ขอให้ได้ลูกกลับมานั่งรอเวลาก็มาเปิดโทรศัพท์ดูยู u b e ไปเลยปรากฏว่าภาพลูกขึ้นมาในโทรศัพท์ กำลังถูกทุกตีทำร้ายอยู่แม่ตกใจมากพอออกทีวีแล้วก็ยังร้องโ h o ร้องไห้อยู่ว่าอยากทำร้ายลูกของฉันถ้าจะทำร้ายมาทำที่แม่เถอะเนีย่ยยอมทุกอย่างความเป็นแม่แล้วก็พูดผ่านทีวีไปถึงลูกว่าลูกกลับบ้านเถอะไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับแม่ แม่ให้อภัยทุกอย่างเนี่ยคำหัวใจของแม่เปน็นไงแม่ให้อภัยทุกอย่างเนี่ยตอนมีแม่อาจจะลืมเวลาขาดแม่แล้วจะรู้สึกลูกไก่สี่ตัวยืนล้อมขนไก่อยู่มันจำได้ว่านี่คือแม่ขนของแม่แต่ตัวแม่ถูกเชือดไปแล้วลูกไก่สีตัว มายืนล้อมขนไก่ตัวพี่ก็บอกกับตัวน้องๆว่าขนของแม่แน่แล้วน้องแก้วเอ๋ยอกแม่เคยอุ่นเกล้าวพวกเรานาะแม่จากไปไหนเราไม่กลับมาพ่แม่จา๋าแม่อยู่ไหนใจลูก่อยนยขาดแม่แล้วก็รู้สึกดหงนั้นพิสุนี ผู้เป็นมารดาของท่านกษัตรนึกถึงคาโพู์โลกแค่ความรักแค่นี้ก็ยังตัดไม่ได้ทำอะไรมันเป็นความจริงนึกถึงคำสอนพรพุทธเจ้ามีรักร้อยก็ทุกร้อยมีรักสิบก็ทุกสิบมีรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งเธอก็ลุกขึ้นทำความเพียรกำหนดภาวนาดูกระแสจิตใจ เห็นจิตใจมันเศร้าโศกหม่นหมองดูไปวางเฉยไปจิตก็ว่างแสงสว่างในธรรมก็เกิดขึ้นมารู้ธรรมพร้อมด้วยปฏิพร้อมด้วยอภิญญารู้วาระ จ, จิตมีทิฏฐจักสุส่งกระแสจิตไปดูลูกชายก็รู้ว่าที่จริงแล้วท่านกัสสปะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านปรารถนาดีต่อแม่ท่านรู้ว่าถ้าท่านยังทํา พูดดีกับแม่แม่ก็คงจะตัดใจอะไรไม่ได้ท่านก็ยอมที่จะพูดให้แม่ได้ตัดใจนะที่สุดท่านก็ได้ทำสำเร็จนะการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นนอกจากเราจะเลี้ยงดูตอบแทนช่วยดำเกินการงานของท่านช่วยดํารงวงศสกุลไว้ทำตนเองให้สมควรในการบบรับทรัพย์มรดก แล้วสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าได้ตรัดไว้พระองค์ตัดว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของบุญมีเมตตากรุณาโมทิตาเบิกขามันพรหมเป็นพระอรหันต์ของบุตรเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรคือสั่งสอนลูกมากแม้ลูกจะเลี้ยงพ่อแม่ไว้บนบ่าทั้งสองเป็นเวลาร้อยปี ถ่ายจจา ร, ระปัสสวะบนบาหรือสามารถจะแต่งตั้งท่านเป็นพระราชาพระราชินีดได้ก็ตาไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณท่านได้หมดสิน้นแต่ถ้าลูกคนใดยังพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่ได้บริจาคให้ได้บริจาคไม่ได้มีธรรมะไม่มีปัญญาให้ได้มีธรรมะมีปัญญานั่นคือการตอบแทนอย่างสูงนั่นการที่เรา นำสมบัติของท่านคือเลือดเนื้อชีวิตที่ท่านให้กําเนิดเลือดเนื้อนี้มาทําความดีได้มาฟังธรรมได้มาเจริญภาวนาได้บางําบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอบแทนประคุณที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องต้องเอาบุญไปบอกไปแบ่งให้ถ้าร่วงลับไปแล้วเราก็ตรวจนาบุทิกไปให้แล้วก็ มันเยี่ยมเยียนมันดูแลให้กำลังใจให้ธรรมะให้ความสุขทางใจนำใจความ ก, กตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีนั่นก็ข อ, อนมโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่จะถึงวันแม่แห่งชาติขอให้ได้มี สติสมาธิปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมนำตนให้พ้นทุกข์เข้าถึงบร ม, มสุขคือพระนิพพานทุกท่านเถอ